6.9 คนส่วนใหญ่อยู่ในโลกของความฝันจึงพัฒนาชีวิตไม่ได้วงเล็บเปิด16พฤศจิกายน2550ห้าในวงเล็บหนึ่งจุดจุดนาทีหนึ่งวงเล็บปิดการปฏิบัติธรรมไม่จำเป็นว่าเราจะต้องออกจากโลกธรร ม, มะมีหลายระดับระดับพื้นๆเลยเราสามารถอยู่กับโลกได้อย่างมีความสุขมีความทุกข์น้อยไม่ใช่ธรร ม, มะที่จะต้องหนีโลกตลอดเวลาก็มาฐานบางอย่างอยู่ในบ้านทายาก ยังจะทำสมาธิอยู่ในบ้านทำลำบากที่บ้านมีเรื่องกวนใจมากแต่ถ้าทำแค่เรื่องการเจริญสติอยู่ที่ไหนก็ทำได้เพราะสติจำเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อคนไหนขาดสติพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าประมาทคนประมาทก็คือคนที่ตายแล้วตายทั้งเป็นมีชีวิตอยู่ก็เหมือนไม่มีวิธีดูง่ายๆนะอย่างเวลาที่เราใจลอยเรามีร่างกายแต่เหมือนร่างกายหายไปจิตใจของเราก็มี แต่เราไม่รู้มันมันเหมือนหายไปฉะนั้นเวลาที่เราขาดสติเราใจลอยมันเหมือนคนซึ่งมีกายก็เหมือนไม่มีมีใจก็เหมือนไม่มีเหมือนคนที่ตายไปแล้วเป็นวิญญาณร่นเร่สำเวอสีจิตเข้าไปสู่พบโน้นพบนี้จับอารมณ์โนนจับอารมณ์นี้เรื่อยๆไปลืมเนื้อลืมตัวไปเรื่อยๆฉะนั้นขาดสติเมื่อไรก็คือประมาทเหมือนคนที่ตายไปแล้วลืมกายลืมใจตัวเอง พอมีสติมันก็รู้สึกกายมีสติมันก็รู้สึกใจรู้สึกขึ้นมาได้พอเรารู้สึกกายรู้สึกใจได้ก็เท่ากับเราอยู่ในโลกของความเป็นจริงน่าสงสารคนในโลกนะคนในโลกอยู่ในโลกของความฝันคนในโลกไม่เคยอยู่ในโลกของความเป็นจริงเลยตื่นขึ้นมาก็คิดๆไปเรื่อยๆตั้งแต่เกิดจนตายก็อยู่ในโลกของความคิดความฝันตลอดเวลาไม่สามารถจะรู้สึกกายรู้สึกใจที่มีอยู่จริงๆในปัจจุบันได้เพราะไม่มีสติฝันทั้งวัน ใจเราฝันตลอดเวลาเราไม่เคยตื่นการที่เราไม่ได้เป็นผู้ตื่นก็คือเราไม่ใช่ผู้รู้ผู้ตื่นเราไม่ใช่ชาวพุทธที่แท้จริงเพราะชาวพุทธก็คือผู้รู้ผู้ตื่นด้วยธรรมะธรรมะคือความจริงนั่นเองอยู่ในโลกของความจริงแต่เรากลับไปใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในโลกของความคิดในโลกของความฝันฝันลมๆแรงๆหลายคนฝันอยากเป็นผู้ว่าฝันได้ใช่ไหม สาวๆหรือไม่สาวก็ฝันได้ว่าเป็นนางงามจักรวาลฝันได้แต่ในความเป็นจริงไม่ใช่ที่นี้ทำอย่างไรเราจะสามารถมีชีวิตเหมือนคนที่มีชีวิตจริงๆคือเราต้องตื่นขึ้นมาที่เราศึกษาธรรมะกันแทบเป็นแทบตายก็เพื่อว่าเราจะได้อยู่ในโลกของความเป็นจริงตื่นขึ้นมาได้ในความเป็นจริงเราถึงจะพัฒนาชีวิตของเราได้เราไปพัฒนาชีวิตของเราในโลกของความฝันไม่ได้เพราะฉะนั้นตื่นขึ้นมา รู้สึกตัวขึ้นมารู้ลงที่กายรู้ลงที่ใจรู้อย่างสบายๆรู้อย่างไม่เคร่งเครียดรู้ไปเรื่อยก็จะเห็นเลยกายมันเป็นอย่างไรเราจะรู้ว่าเป็นอย่างไรมันเป็นอย่างไรมันไม่เที่ยงมันถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลามันบังคับไม่ได้จิตใจเป็นอย่างไรจิตใจก็ไม่เที่ยงเหมือนกันดูออกไหมจิตไม่เที่ยงทํางานตลอดเวลาไม่มีหยุดเลยนะทั้งวันทั้งคืนทํางานตลอดเวลา มันหนีไปคิดนั่นเองฉะนั้นจิตนี้มันไม่เที่ยงมันฟุ้งซ่านไปตลอดเวลามันเป็นทุกข์คือมันถูกบีบคั้นมันนิ่งไม่ได้มันถูกอะไรบีบคั้นอยู่มันถูกความอยากบีบคั้นอยู่ถูกตัณหาบีบคั้นอยู่มันอยู่ของมันดีๆได้แวบเดียวนะเดี๋ยวมันก็อยากดูอยากดูก็ต้องตะเกียกตะกายไปดูเดี๋ยวมันก็อยากฟังก็ต้องตะเกียกตะกายไปฟังอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสอยากได้อารมณ์ทางใจที่สนุกสนานเพลิดเพลิน ต้องไปดูหนังไปฟังเพลงตอบสนองให้จิตใจได้เพลิดเพลินเผลอๆไปนี่ใจเราถูกบีบคั้นความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดความอยากมันบีบคั้นใจก็ต้องมีความทุกข์ขึ้นมานี่เฝ้าดูของจริงลงไปอย่างนี้นะในโลกนี้ไม่มีใครมีอิสระสักคนเดียวพวกเราทุกคนตกเป็นทาสของตันหาตันหาเป็นนักบริหารที่เก่งที่สุดในโลก